ในอุทานที่เราเรียนช่วงนี้เนี่ยนะเป็นวักกล่าวถึงเรื่องของทิฏฐิเป็นส่วนใหญ่ทิฏฐินั้นแปลว่าความเห็นคำว่าความเห็นหรือความเข้าใจนี่อันเดียวกันนะเนะเพราะว่าใครเข้าใจอย่างไรก็เห็นอย่างนั้นคำว่าเห็นในทีน่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่เห็นแบบเห็นภาพเห็นะถ้าเห็นภาพเนี่ยหมายถึงดูสีใช่ไหมแต่นี้หมายถึงความรู้ความเข้าใจ ความเห็นเรียกว่าทิฏฐินั่นเองไอตัวทิฏฐิเนี่ยเรียกว่าความรู้ความเห็นความเห็นแบ่งออกเป็นสองอย่างคือสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินี่แปลว่าเห็นผิดเข้าใจผิดรู้ผิดส่วนสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเข้าใจถูกเห็นไหมความรู้ที่ถูกต้องสัมมาตัวนั้นแปลว่าตรงก็ได้แปลว่าไม่ผิดทิฏฐิก็แปลว่าเห็นความเห็นที่ถูกความเห็นที่ตรง ความเห็นที่ไม่ผิดพลาดส่วนมิจฉาทิฐินั้นที่ว่าผิดที่ว่าพลาดนี่ผิดอย่างไรคือเขาเห็นว่าสิ่งใดที่ทําให้เขาประสบความสุขแต่แล้วไม่สามารถให้เขาประสบสุขอย่างที่เขาเข้าใจความเห็นอันนั้นแหละเรียกว่าเป็นความเห็นผิดอย่างเขาเขาถือว่าการปฏิบัติของเขาเนี่ยทำให้เขาพ้นทุกข์ ซึ่งความเป็นจริงแล้วไม่พ้นทุกความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติอันนั้นเรียกว่าเป็นการปฏิบัติผิดที่เกิดจากความเข้าใจผิดตอนแรกเข้าใจว่าสามารถทำให้เขาพ้นทุกได้เอาเข้าจริงแล้วช่วยให้เขาพ้นทุกไม่ได้นั่นแหละเรียกว่ามิจฉาทิฐิละสมาทิฐิก็คือความเห็นที่ผู้ใดเห็นอย่างนั้นแล้วมีการปฏิบัติตามที่เห็น ตามที่รู้ตามที่เข้าใจปฏิบัติตามนั้นได้แล้วถึงความพ้นทุกข์อันนี้เรียกว่าเป็นสัมมาทิฐิมันเอาผลของความเห็นเป็นประมาณนนถ้าถ้าผลของมิจฉาทิฐิคืออะไรผลของมิจฉาทิฐิที่สุดเลยเจริญตามร่องรอยเดินตามสายมิจฉาทิฐิอย่าง เ, าเรียกว่าไม่ผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวเดินได้อย่างถูกต้องหมดเลยตามหลักของมิจฉาทิฐิผลคืออะไร ที่สุดเลยนะโลกนี้ก็เดือดร้อนชาติหน้าก็อบายทุกขติวินิบาตและนรกอันนั้นคือที่สุดของมิจฉาทิฐิดังอย่างว่าถ้าเราเดินตามสายทำอะไรที่มันผิดกฎหมายร้ายแรงเนี่ยนะในที่สุดที่สุดของการทําผิดกฎหมายร้ายแรงของบ้านเมืองคืออะไรนะคุกหรือโทษประหารชันใดสายของมิจฉาทิฐิถ้าเดินตามผิดที่สุดก็คือถูกประหารประหารจากกุศลธรรม แล้วก็เข้าคุกคือเดรัจฉานกับนรกเป็นต้นเนี่ยนะก็ตามสมควรแก่ความเห็นอันนั้นถ้าสัมมาทิฏฐิความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องก็นำมาซึ่งสุขในโลกนี้สุขในโลกหน้าขณะเดียวกันก็บรรลุมรรผลนิพพานที่สุดก็คือการทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอันนั้นเป็นผลของความเห็นผิดและความเห็นถูกอันนี้ความเห็นถูกนี่ทาให้พ้นทุกความเห็นผิดทาให้ประสบแต่ความทุกข์ ในส่วนผู้ที่ศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ใดศึกษาด้วยฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมด้วยความเข้าใจเนี่ยนะเข้าใจเท่าไหร่เนี่ยทุนในการถามว่าคนที่เข้าใจธรรมอะไรนี่เปลืองเวลามากไหมคนทำอะไรด้วยความเข้าใจเนี่ยใช้เวลามากห ร, รือใช้เวลาน้อยใช้เวลาน้อยคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยนะใช้เวลามากแต่ได้ประโยชน์น้อยคนที่เข้าใจมากทาน้อยแต่ได้ประโยชน์มาก การปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันถ้าเราฟังธรรมจนเกิดความรู้ความเข้าใจเวลาในการปฏิบัติอาจจะน้อยแต่ว่าผลของการปฏิบัตินี่ยิ่งใหญ่มากมายพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดมีชีวิตอยู่วันหนึ่งมีความเห็นอธรวาเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปของอุปาทานขันห้ารู้เหตุเกิดความดับของอุปาทานขันท่า ชีวิตของเขามีอยู่วันเดียวก็ประเสริฐกว่าคนที่ไม่รู้แบบนี้อยู่มีอายุร้อยปีนะนั้นคนร้อยปีนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะถือว่าไม่ได้สาระอะไรเลยแต่คนที่มีความเข้าใจเนี่ยนะมีปัญญาเนี่ยเขาถือเอาสาระได้อย่างคนที่รู้ความเกิดของวัตตะเนี่ยนะแล้วก็รู้ความดับของวัตตะเขาจะทำอย่างไรเขาก็ปฏิบัติเพื่อกำจัดเหตุเกิดของวัตะนะปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับ วตะเพันเขาก็ใช้เวลาในการปฏิบัติไม่นานก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยนะอยู่ในโลกของความหลงความไม่รู้ก็เดินไปเรื่อยเนี่ยนะไม่รู้ว่าถึงที่ไหนแล้วบัดนี้บัดนี้เรายืนอยู่ตรงไหนไปไหนมาจากไหนก็เหมือนกับคนต่างจังหวัดอ่านหนังสือไม่ออกอยู่บนในถน น, น, นในกรุงเทพเนี่ยนะทไงดี เส้นทางของการศึกษาพระธรรมทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันถ้าเราศึกษาไม่เพียงพอเนี่ยนะการกระทําของเราเราไม่สามารถวินิจฉัยได้เลยว่าเราตอนนี้เจริญแค่ไหนจเจริญ ม, มากหรือจเจริญน้อยเกือบบรรลุมรรคผลใกล้หรือยังเป็นต้นเนี่ยนะนการฟังธรรมเนี่ยเพื่อให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจเพราะปัจจัยของความเข้าใจก็คือการฟังในยอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือการพิจารณาและการใคร่ครวงเนี่ยนะ เพราะว่าปัจจัยของสัมมาทิฏฐิคือฟังธรรมกับโยนิโสมนัสการทีนี้การฟังเนี่ยนะฟังก็เพื่อให้รู้ผลของอะไรรู้ผลของการการฟังธรรมที่ถูกต้องคือฟังเพื่อให้รู้เหตุและรู้ผลนะเหตุเหตุมีอะไรบ้าง ก, ก็คือเหตุคือกุศลและอกุศลผลของกุศลเป็นอย่างไรผลของอกุศลเป็นอย่างไร ทีนี้ก็มาดูว่ากุศลเนี่ยคืออะไรบ้างกุศลที่เกิดจากให้ทานมีผลอย่างไรรักษาศีลมีผลอย่างไรอบรมส ม, มะถะมีผลอย่างไรเจริญวิปัสสนามีผลอย่างไรถ้าสมบูรณ์ทั้งศีลส ม, มะถะวิปัสสนามีผลอย่างไรเนี่ยนอย่างในสุภูติสูตรเป็นต้นเนี่ยในอุทานเนี่ยก็คือพูดถึงข้อปฏิบัติของผู้ที่มี ความรู้ความเข้าใจอย่างสมบูรณ์และถูกต้องข้อความในอุทานสุภูติสูตรข้อ143สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่นาะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินธิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลท่านพระสุภูตินั่งคูบลังตั้งกายตรงพระสุภูตินี่คือน้องชายของอนาถบินทิกะเศรษฐีที่ออกบท ท่านบสถไม่นานก็เป็นพระอารหันเนี่ยนะหลังจากที่ท่านเป็นพระอารหรันมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็นั่งกายตรงก็คือกระดูกเครียกว่าวข้อต่อของกระดูกสันหลังเนี่ยเป็นอย่างเกิดตั้งอยู่ตรงเข้าสมาธิอันไม่มีวิตกอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคเจ้าหมายถึงการนั่งเข้าพระสมาบัติอรหั ต, ตผลสมาบัติพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นท่านพระสุภูตินั่งคูบาลังตั้งกายตรง เข้าสมาธิอันไม่มีวิตกอยู่ในที่ไม่ไกลลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเป่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าผู้ใดกำจัดวิตกทั้งหลายได้แล้วกำหนดดีแล้วไม่มีส่วนเหลือในภายในผู้นั้นล่วงกิเลสเครื่องข้องได้แล้วมีความสาคัญนิพพานอันเป็นอรูปล่วงโยคะสีได้แลย่อมไม่กลับมาสู่ การเกิดเมื่อไม่เกิดจะแก่มาแต่ไหนเมื่อไม่แก่จะตายมาจากไหนท่านผู้ที่ปฏิบัติแทงตลอดพระนิพพานก็พ้นจากความเกิดเนี่ยนะหลายคนก็บอกโอ้ยนี่ถ้าไม่ได้เกิดจะสนุกหรือถามว่าโยมจะเสียใจไหมถ้าไม่ได้เกิดในนรกเนี่ยนะถูกตัดสิทธิ์อันนี้ออกไปเสียใจไหมไม่เสียใจเลยนะถ้าถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เกิดเป็นเปรตนี่เสียใจไหมไม่เสียใจนะก็บอกว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องเป็นเลระชานอีกแล้วเพราะฉันตัดสิทธิ์เลยเสียใจคงไม่เสียใจนะ นั่นแหละคำว่าไม่มาสู่การเกิดถ้าเป็นพระโสดาบันแทงตลอดพระนิพพานก็ตัดสิทธิ์ไม่ต้องไปสู่อบายทุกขติวินิบาตและนรกนะสิทธิ์อันนี้ไม่อยากใช้เลยเนาะดังคำว่าไม่มาสู่การเกิดเนี่ยตามสมควรแก่อริยมรรคเนี่ยนะอันนี้หมายถึงว่าพระอรหันต์ก็ท่านก็ไม่ต้องปฏิสนธิในภพทั้งปวงมาดูอัตถกถาว่าท่านพระสุภูติผู้มีอายุนั้นได้สร้างอภินิหาร ตั้งความปรารถนาเอาไว้ที่บาทมูลคือเท้าของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระก่อสร้างบุญสมภารไว้ตลอดแสนกับเนี่ยนะทำบุญมาแล้วแสนกับนะในพุทธบาตรการนี้คือการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ท่านเกิดในตระกูลใหญ่มีสมบัติมากนะเพราะว่าเป็นน้องชายของอนาถบดินิกะเศรษฐีตอนหนึ่ง อนาถบินทิกะเศรษฐีฉลองวัดพระเชตวันก็ชวนน้องชายไปฟังธรรมด้วยนะชวนท่านสุภูติท่านก็ได้ฟังธรรมจะพระเทศนาคือฟังอริยสัจธรรมของพระพุทธเจ้าท่านฟังก็เกิดธรรมะสังเวชสังเวสในวัตะเห็นคุณอ น, นิสงค์ของการออกจากวัตะก็เลยออกจากเรือนบวชเพราะความเป็นผู้มีบุญยาทีการคือบุญที่เคยกระทํำไ้แล้ว เป็นอย่างดีนะบุญที่ปลูกฝังเอาไว้แล้วสร้างสมอุปนิสัยเอาไว้แล้วท่านเพียรพยายามอยู่ไม่นานนะักก็ได้อภินญาหกแต่เพราะถึงบารมีสูงสุดแห่งพรหมวิหารภาวนาท่านนี้มีปกติอยู่ด้วยพรหมวิหารท่านจะเข้าฌานมีพรหมวิหารก่อนฌานที่เป็นพรหมวิหารค่อยรับอาหารของชาวบ้านเข้าเข้าเมตตาฌานก่อนออกจากเมตตาฌานท่านจึงรับอาหาร มันพระองค์จึงสถาปนาท่านไว้ในเอตทัคคะทางอยู่อย่างผู้ไม่มีกิเลสเรียกว่าอยู่แบบไม่เบียดเบียนใครเลยไอ้คำว่าไม่เบียดเบียนตรงกันข้ามมีแต่ใจที่คิดน้อมนําประโยชน์ไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้สาวกของเราผู้อยู่ในทางหากิเลสไม่ได้สุภูติเป็นเอตทัคคะหรือเป็นเป็นเลิศขณะเดียวกันเนี่ยพร ะ, ะสุภูติมีเอตทัคคะอีกอย่างหนึ่งคืออยู่ในด้าน อารณะวิภัฒอารณะเนี่ยนะเป็นผู้เลิ่นทางอารณะมีกิเลสไม่ต้องรนรงคือเป็นผู้ที่ใช้ถ้อยคำไม่เป็นข้าศึกไม่เป็นศัตรูแก่ผู้ใดทั้งนั้นเริยว่ามีปกติอยู่โดยชอบไม่ตำหนิใครไม่ข่มใครเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าเลิ่อทางอยู่อย่างอารณะเนี่ยนะทีนี้วันหนึ่งในเวลาเย็นท่านออกจากที่พักกลางวัน อย่างลงสู่ลานวิหารเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ากําลังทรงแสดงธรรมในถ้ำกลางบริสัสเซท่านก็กําหนดเวลาว่าจบพระธรรมเทศนาเราจะลุกไปถวายบังคมก็เลยนั่งเข้าภละสมาบัติคือเข้าอรหัตผลสมาบัติณโนะคลต้นไม้แห่งหนึ่งไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าที่วัดพระเชตวันเนี่ยนะถ้าใครเคยไปเมืองสาวัตถีที่เชตวันเนี่ยทุกพื้นที่ที่เราวางเท้าลงไปให้รู้แต่ว่า ที่ตรงนั้นเนี่ยเคยมีพระเรียเจ้านั่งเข้าพระสมาบัติหมดเลยเห็นไหมนั่งเข้าอารหัตผลสมาบัติทั้งหมดนั่นน่ะ <c oughs> มันในโคนต้นไม้พระสุภูติก็นั่งเข้าอารหัตผลสมาบัติในการเข้าสมาบัตินั้นเริ่มตั้งแต่ทุติยฌานไปนะรูปราวจรสมาธิก็ดีอรูปราวจรสมาธิก็ดีก็ชื่อว่าอาวิตร ก, กะสมาธิ สมาธิที่ไม่มีวิตกนี่โดยปกติเนี่ยนะปฐมฌานขึ้นไปจนถึงเนวะสัญญานาสัญญายตนะก็ไม่มีวิตกประกอบแล้วแต่ในที่นี้ท่านนั่งเข้าอรหัตผลสมาธิที่มีจตุทัชฌานเป็นบาทเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าอาวิต ก, กะสมาธิปกติแล้วมิจฉาวิตกมิจฉาวิตกมีอะไรบ้างการมวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกเนี่ยนะ ธุติยฌานนะธุติยะฌ า, า, นะานก็ละได้แล้วละได้อย่างเด็ดขาดมิจชาวิตกนะละได้ตั้งแต่ปฐมฌานส่วนสัมมาวิตกละที่ทุติยะฌานมันวิตกนี่ถูกละตั้งแต่ทุติยะฌานขึ้นไปแต่ก็ยังละไม่ได้อย่างเด็ดขาดทุติยะฌานตัติยะฌานเนี่ยไม่ได้ตัดวิตกจริงๆอะไรส่วนอริยมรักนั่นแห ล, ละละหรือว่าละได้ด้วยดีละซึ่งมิชาวิตกเนนะ เพราะไม่มีกิจที่จะต้องละต่อไปอนาคามิมักนิ่กละมิฉาวิตกแต่อรหัตมักละมิฉาวิตกได้อย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นอรหัตผลสมาธิจัดว่าเป็นที่สุดแห่งอรหัตมักเพราะเกิดขึ้นในที่สุดแห่งการละมิฉาวิตกทั้งสิน้นเพราะว่าพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีอากุศลจิตแม้แต่นิดเดียวคิดด้วยอำนาจจิตที่เศร้ามองไม่มี อกุศลวิตกเนี่ยนะคือวิตกที่เกิดจากความเศร้าหมองทางความคิดจิตเศร้าหมองก็เลยตรึกด้วยความเศร้าหมองนะถ้าอุปมาก็เหมือนกับว่ามือเป็นแผลแล้วเอื้อมไปจับสิ่งต่างๆเนี่ยนะจิตที่เศร้าหมองก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะจิตที่เศร้าหมองก็จิตที่เป็นแผลจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลเวลาตรึกเอาไปเนี่ยนะก็ถือว่ามีโทษทั้งหมดในที่นี้ประสงค์อรหัตผลสมาธิ เมื่อว่าโดยพิเศษท้าเรียกว่าอาวิต ก, กะสมาธิเนี่ยนะจะป่วยกล่าวไปยายถึงการมีจตุทชาญเป็นบาทเล่าท่านท่านกล่าวว่าอรหัตผลสมาธิที่มีจตุทชานเป็นบาทประสงค์เอาว่าอาวิตร ก, กะสมาธิคือพระสุภูติเนี่ยนะท่านอยู่ในทางทางได้ฌานเนี่ยความที่ท่านได้ฌานเนี่ยนะท่านสา ม, มารถเข้าฌานออกจากฌานก็พิจารณาฌาน นะเจริญวิปัสนาเข้าพระสมาบัติพระองค์ก็ทราบอย่างรู้โดยประการทั้งปวงความที่ท่านพระสุภูติละกิเลสคือกําจัดอกุศลวิตกได้ทั้งหมดคือสูตรนี้เห็นโทษของอกุศลวิตกมากถ้าถ้าพูดถึงร่างกายเนี่ยนะพูดถึงสมมติรู ป, ปรกายเนี่ยใครที่อยู่ๆว่างๆก็เดินไปหาเรื่องกับคนนี้มาทีเดินไปหาเรื่องกับคนนั้นมาทีเนี่ยถามว่าคนนั้นเนี่ยใช้ได้ไหมดีไหมไม่ดีฉันใด เช่อไหมแต่เราเนี่ยปล่อยความคิดไปหาเรื่องตลอดเวลานะปล่อยความคิดเดี๋ยวไปเรื่องโน้นไปเรื่องนี้เขาบอกว่าผลของของของความคิดมากๆคืออะไรความไม่สบายใจไงคิดจนตัวเองไม่สบายใจนะพอคิดไม่สบายใจเรื่องนั้นเปลี่ยนเรื่องใหม่ไปคิดเรื่องอื่นต่อคิดจนไม่สบายใจแล้วก็สรุปไปได้ไปหาเรื่องวันหนึ่งหาเรื่องเกือบทั้งวันเลยนะใครที่ไม่อยู่ด้วยกรรมฐานเป็นต้นโดยมากเป็นคนที่ชอบหาเรื่องทางความคิดนะหาเรื่องทางความคิดคิด แล้วก็ไม่ค่อยคิดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าง่ายๆหรอกเรื่องดีๆเนี่ยไม่ค่อยคิดเรื่องของคนดีก็ไม่ค่อยคิดจะครอบคิดแต่เรื่องของคนไม่ดีคิดจนตัวเองเดือดร้อนนั่นแหละคิดจนไม่สบายใจนั่นแหละคิดจนป่วยทางความคิดพะะนันอักกุศลวิตตกเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากแล้วก็หลายๆเรื่องนะก็ไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรน ะ, อ, ะอย่างอย่างวั น, ว, นวันหนึ่งเนี่ยนะวันหนึ่งมียีบสีชั่วโมงไงเราปล่อยความคิดในเรื่องที่ไม่มีประโยชน์วันละกี่ชั่วโมงดีใช่ไหม นนะกี่ชั่วโมงดีนะงานก็ไม่ใช่ไม่ใช่ธุรกิจไม่ใช่การงานไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแหละปล่อยความคิดเป็นไปฟุง้งไปเรื่อยเนี่ยนะเรื่องโน้นทีเรื่องนี้ทีต้นไม้ใบหญ้าเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้โอ้ยวันหนึ่งหลาย10ชั่วเป็น10บสิบสบสบชั่วโมงเน่ยนะพนอะมาสนใจว่าเอ๊ะสิชั่วโมงนี้ถ้ามาเป็นบุญนี่จะได้บุญขนาดไหนนาะอ่าคือหมายความว่างานก็ทําไปเถอะอะไรก็ทําไปเถอะแต่ว่าขอไอ้เวลาที่ฟุ้งซ่านนี่ให้มาเป็นพถ้ารำแทนเนี่ย ขอเวลาตรงนั้นเนี่ยนะัที่มันไม่ใช่การไม่ใช่งานไม่ใช่อาชีพไม่ใช่อะไรซากอย่างขอเวลาที่มันว่างๆ ว, ว, วันละประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงเนี่ยให้เป็นกุศลวิตตกแทนเนี่ยชาตินี้เนี่ยเขาคงปฏิบัติอย่างนี้ไม่นานพ้นทุกแน่นอนถ้าตัดอากุศลวิตกออกไปได้สมมติว่าตั้งกระตุนเอ่อตั้งกระตุนมาจนถึงหลับเนี่ยนะชาเราใช้ความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ใช่น้อยรู้สึกจะมากด้วยแล้วก็บางอย่างนี้คิดมากเกินไปด้วย ย้ำแล้วย้ำอีกวิตกกังวลอยู่นั่นแหละอย่นี้นก็เลยเป็นบาปเป็นอกุศลพันถ้าหากว่าตัดอกุศลเหล่านั้นมาให้เป็นกุศลแทนอนาชีวิตเราคงได้สาระอย่างมากมายพระองค์ก็เปล่งเปล่งคาถาเปล่งอุทานอันนี้บอกว่ายาสะวิตากาวิทูปิตาพระอริยบุคคลใดกําจัดมิจฉาวิตกทั้งหมดมีกามาวิตตกเป็นต้นคือทําให้สงบได้แก่ตัดขาดด้วย อริยมรรคขยานอริยมรรคเนี่ยตัดตัดมิจฉาวิตกในแนวออกไปส่วนอจชะตังโ ส, สวิกัปปิตาอเสสาความว่ากําหนดไว้ดีคือกําหนดด้วยดีโดยไม่เหลืออันควรเกิดขึ้นในสันดานของตนคือในภายในตนอธิบายว่าตัดขาดด้วยดีโดยไม่เหลือ แม้อะไรอะไรเอาไว้ไม่ให้เหลือแม้แต่นิดเดียวเลยนะช่องทางที่จะเป็นอกุศลวิตกที่จะไหลออกมาเนี่ยไม่ให้มีโดยประการทั้งปวงอันนี้ก็อนุภาพของอริยมรรคใช่ไหมอริยมรรคเนี่ยตัดมิจฉาวิตตกเนี่ยออกไปเนี่ยไอ้มิจฉาวิตกเนี่ ย, ออชชยถ้ามองเป็นภาพก็เหมือนกับเนื้อที่มันงอกออกมาเนี่ยนะที่มันมีพิษอ่ะมันงอกแล้วมันก็สร้างพิษสร้างภัยอยู่ตลอดเวลาถ้าตัดออกไปได้โดยประการทั้งปวงดีไหมเนื้อ ง, งอกเหล่านั้นอ่ะนะนะที่มันสร้างแต่ความเดือดร้อนให้ ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้าตัดความคิดที่เป็นอกุศลออกไปวิตกที่มีทุกมีโทษออกไปชีวิตเนี่ยประสบแต่ความสุขมากกว่าทุกวันนี้เป็นหมื่นล้านเท่าแสนล้านเท่าเลยแหละไอ้ที่เราสุขอยู่ทุกวันนี้มันสุขเล็กสุขน้อยเท่านั้นแหละสุขนิดๆหน่อยๆอะไรเนี่ยแต่ถ้าตัดสิ่งที่เป็นอกุศลออกไปได้เนี่ยนะความสุขแบบแบบที่เกิดขึ้นอันนี้เนี่ยหาประมาณไม่ได้หาค่าไม่ได้ แต่เนื่องจากว่าความเข้าใจของสัตว์ทั้งหลายนี่เข้าใจผิดคิดว่าไอ้วิตกนี่มันดีคิดว่าไอการตรึกไปเรื่อยเปื่อยนี่นึกว่ามันดีนึกว่ามันสบายที่ไหนได้มีแต่ความเดือดร้อนมีแต่เหตุแห่งความทุกข์ถ้าเขากําจัดไอมิจฉาวิตกแล้ว เ, เจริญสัมมาวิตกคื อ, อ, อวิตกที่อยู่ในองค์มรถ้าเจริญได้บริบูรณ์จนถึงอรหัตตมรเกิดได้เขาจะประสบความสุขอันหาประมาณไม่ได้ ก็เพราะเหตุที่พระอริยบุคคลตัดมิจฉาวิตกได้เด็ดขาดนะมิจฉาแปลว่าผิดนะนะวิตกก็คือคิดแล้วคิดแล้วนํามาซึ่งความผิดนะนะหมายถาว่าคิดแล้วผิดอ่ะก็เลยเรียกว่าคิดผิดเพราะว่าพอคิดเดินตามความคิดเหล่านั้นแล้วก็เดือดร้อนในตอนปลายก็เลยเรียกว่ามิจฉาวิตกมิจฉาวิตกนั้นพระอริยบุคคลเนี่ยมีความสําคัญในอรูป ที่ตัดขาดของมิจฉาวิตกจริงๆนั้นคืออรูปหมายถึงพระนิพพานถ้าพิจารณาอริยสัจจนแทงตลอดพระนิพพานที่เป็นนิโรสัจจะด้วยอนุภาพของมรรคสัญญาและผลสัญญาก็คือมรรคผลอันเป็นไปโดยกระทําพระนิพพานที่ได้ชื่อว่าอารูปให้เป็นอารมณนะ์ทำเจริญอริยมรรคอริยผลจนมีนิพพานเป็นอารมณ์นิพพานนี้อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอารูปอรูป รูปแปลว่าอะไรรูปปณะลักษณะสลายไปธรรมชาติที่สลายธรรมชาตินั้นชื่อว่ารูปนิพานเนี่ยไม่มีสภาวะแห่งรูปไม่มีสภาวะแห่งปฐวีอาโปโตเตโชเป็นต้นเลยนิพานไม่มีวิการคือแปรผันพระนิพานไม่แปลผันเหมือนกับรูปทั้งหลายที่จะต้องผันแปรเนี่ยนะพระนิพานนี้ไม่ไม่มีเหตุแห่งความพิการ พิการก็คือวิกานนั่นแหละพิ่นาฏน่ะ น, นะไม่มีไม่มีเหตุแห่งความเสียหายเพราะพระนิพพานไม่ถูกปรุงด้วยปัจจัยเพราะเหตุที่นิพพานนั้นล่วงพ้นเครื่องข้องห้าอย่างคือเครื่องข้องคือราคะโทสะโมหะมานะทิฐิเป็นต้น น, นะหรือเครื่องข้องคือกิเลส ท, ทุกชนิดเพราะว่าผู้ที่แทงตลอดสภาวะแห่งพระนิพพานคืออรูปอันนี้ก็ดับดับอะไรได้หมดดับมิจฉาวิตกโดยประการทั้งปวง บทว่าจตุโยคาติคโตเก้าล่วงซึ่งโยคะสี่กามโยคะพวะโยคะทิฏฐิโยคะวิชายโยคะด้วยมรทั้งสี่ตามสมควรหมายคําว่าโสดาปฏิมกรกําจัดทิฏฐ yea. ิกกโยคะอนาคามีมรกรรมจัดกามโยคะภวะโยคะอรหัตตมรกรรมจัดอวิชายโยคะเนี่ยนะพวะโยคะนี่กําจัดด้วยอรหัตตมรนะ ภาวะโยคะกับวิชาโยคะกำจัดด้วยอรหัตตมรักณชาตุเมติเนี่ยนะความว่าไม่กลับมาเพื่อเกิดในภพใหม่โดยโดยส่วนเดียวแท้หมายคําว่าถ้าหากว่าโสดาปติมรักษ์เกิดกําจัดปฏิสนธิในอบายทุกติวินิบาตนรกกําจัดปฏิสนธิในมนุษย์ในชาติที่8เป็นต้นสกะทาคามีมรกกําจัดอะไร กำจัดว่าเกิดในมนุษย์โลกเนี่ยแค่ครั้งเดียวถ้าเป็นท่านาคามีลนะ่ะก็ไม่ต้องปฏิสนธิในกามมาพบโดยประการนั่งปวงถ้าอนุภาพของอรหัตตะมะก็ไม่ปฏิสนธิแม้แต่ในพรหมโลกนี่นะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปราบ ธ, ธรรมะเครื่องอยู่คืออรหัตผลสมาบัติและอนุปาทิเสสนิพานของท่านสุภูติจึงเปล่งอุทานอันเกิดจากกาลังแห่งปีติ หมายความว่าตอนนั้นเนี่ยพระพระสุภูติยังมีชีวิตอยู่ท่านก็มากอยู่ด้วยการเข้าอรหัตตผลสมาบัติคืออรหั ต, ตผลสมมาบัติเนี่ยนะผู้ที่เข้าเนี่ยเป็นทิฏฐธรรมะสุขวิหารธรรมเป็นความสุขเป็นการอยู่อย่างสบายที่สุดเท่าที่เรียกว่าความสุขทั้งหลายอันนะของผู้ที่ดํารงอยู่ในโลกเนี่ยเข้าอรหั ต, ตผลสมาบัติเนี่ยสุขที่สุดไม่มีสุขอื่นจะเปรียบอีกแล้ว อรหัตตผลสมาบัตสุขน้อยกว่านิโรธสมาบัตเท่านั้นเองนะแต่ว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบเทียบได้แล้วว่าความสุขในอรหัตตผลสมาบัตจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะผู้ที่ได้ประสบอรหัตตผลสมาบัตที่เป็นทิฏฐธรร ม, มะสุขะวิหารธรรมอยู่อย่างสบายในปัจจุบันนี้แล้วทิ้งภาระขันเหล่านี้เหล่านี้แล้วก็ไม่ถือเอาอันใหม่อีกเลยอย่างพระสุภูติเนี่ยนะทิ้งขันห้านี้แล้วก็ไม่ถือเอาขันห้าใหม่ๆอีก ต่อไปงั้นก็ศูนย์ิอ่นนะบางคนก็ห่วงว่าเอ๊ะนี่ถ้าอรหัตผลเกิดขึ้นแล้วนี่มันก็ศูนย์สิมันก็หมดเลยอ่นนะเพราะพวกนี้ถือเอารูปว่าเป็นสาระบุคคลเหล่านี้ใครที่กลัวศูนย์เหล่านี้เพราะบุคคลเหล่านี้ถือรูปว่าเป็นสาระถือเวทนาว่าเป็นสาระถือสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเป็น สาระผู้ใดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นสาระเห็นโทษของการดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมากกลัวการดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมากเพราะอะไรเพราะตัวเองถือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นสาระเขาไม่รู้หรอกว่าไอสาระของเขารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นสาระของเขาอันนั้นแหละคือชาติติดตามด้วยชรา พยาธีครอบงำมรณะก็ประหาร น, น, นะเชือดเลยนะมรณะก็มาเชื้อดนในที่สุดเป็นยังไงที่สุดของผู้ที่มีขันห้าก็เพิ่มภูนปัตถพีที่เป็นป่าช้า น, น, นะนะเบื้องต้นหาประมาณไม่ได้ถ้ายังอะไรในขันห้าขันห้าเนี่ยนะมันดูเหมือนดีจริงๆเลยนะดูเหมือนกับว่าโอ้ดูดีเหมือนดีเหมือนดีจริงๆเลยนะอย่างที่เราได้เกิดมาในโลกดีใจมากที่ได้เกิดมา พอเกิดออกมาปั๊บเนี่ยเห็นทุกข์ที่เกิดภาระทั้งหลายที่เกิดขึ้นมารับในโลกเนี่ยนะเอ้มันชักไม่ดีจริงละเนี่ยนะมันก็ยังแอบหวังเองนะชาติหน้าก็น่าจะดีกว่าชาตินี้เองนะมันคิดไปเรื่อยอะ่ะนะหวังว่าจะพบแต่ความสุขอยู่ต่อต่ อ, ตอไปตอนนี้ช่างเถอะมันจะทุกข์บ้างแต่ต่อไปนะเราก็จะได้ประสบความสุขคิดอยู่อย่างนี้ไม่รู้กี่ล้านกลับมาแล้วนะว่าจากสบายจากสบายจากสบายจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น แต่ที่แน่ๆก็คือเพิ่มป่าช้าขึ้นเพิ่มขึ้นทุกภพทุกชาติก็เลยมันก็มีอะไรก็มีเช้าสายบ่ายค่ำเย็นอยู่ก็มีอยู่แค่นี้แหละนะสังสารวัตรมันก็มีอยู่เท่านี้แหละแต่ก็ยังหวังอยู่ร่ําไปหวังอยู่ร่ําไปคนเนี่ยนะตื่นเต้นในเหตุการณ์วันข้างหน้ามากกว่าตื่นเต้นในมรรคผลที่จะเกิดขึ้นนะคือหมายความว่าให้ความสําคัญกับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโรพธิภพทั้งหลายเนี่ยนะเพราะ รูปหน้าตื่นเต้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยโอ้ตื่นตาตื่นใจมากกว่ากุศลธรรมที่จะเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะถ้าไมเป็นอย่างนั้นไปได้เนาะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการวินิจฉัยในสิ่งที่เป็นสาระไม่เป็นสาระผิดพลาดหมายคือว่าไม่มีปัญญารู้พอว่าอะไรมีสาระอะไรไม่ใช่สาระเพราะฉะนั้นก็เลยถือเอาแต่สิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็น สาระอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเข้ามันก็เลยตื่นเต้นกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระก็ไปตื่นเต้นกับไม้อ้อก็นึกว่าไม้แก่นที yes. ่ไหนได้ได้ไรไม้อ้อไม่ใช่ไม้สักใช่ไหมก็เลยคิดแต่ว่าเห็นไม้อ้อก็นึกว่าเป็นไม้สักก็เลยเห็นไม้อ้อต้นหนึ่งก็ดีใจนึกว่าจะได้ไม้แก่นแล้วเนี่ยก็พบแต่อย่างนี้ไปเรื่อยแต่ว่าคุณค่าของกุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นแก่นสารเนี่ยกลับ น้อยลงเนี่ยนะน้อยลงเขาก็เลยไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระถ้าเขาประสบสิ่งที่เป็นสาระจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปแต่เนื่องจากว่าคนหาแสวงหาไม่เจอสาระก็เลยมีแต่เจอแต่สิ่งที่ไม่เป็นสาระสาระคืออะไรบ้างสาระที่เราควรได้นะในศาสนานี้ถือว่าศีลเป็นสาระสมาธิเป็นสาระปัญญาเป็นสาระศีลสมาธิปัญญาที่เป็นสาระอยู่ระดับไหน ศีลสมาธิปัญญาแบบใดที่เรียกว่าสาระศีลสมาธิปัญญาที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ศีลสมาธิปัญญาที่รู้พระนิพพานศีลสมาธิปัญญาอันนั้นแหละมีสาระที่สุดเนี่ยนะเรียกว่าเป็นแก่นที่แท้จริงของสังคตะธรรมทั้งหลายทีนี้เบื้องต้นเนี่ยเราก็ตั้งเจริญบุญเจริญกุศลก็ตั้งความตื่นตาตื่นใจในที่กุศ ล, ลธรรมเหล่านั้นที่จะ เกิดขึ้นดีใจที่กุศลธรรมเหล่านั้นจะเกิดขึ้นสังเกตดูนะว่าคนที่เขาตั้งความปรารถนาบรรลุมรรคผลเนี่ยนะอย่างพระสุภูติเนี่ยอดีตชาติท่านได้รับพุทธพยากรว่าจะเป็นเอตะทะคะเนี่ยท่านดีใจเหมือนว่าท่านจะได้สิ่งนั้นพรุ่งนี้ท่านดีใจแบบนั้นครั้งที่เรื่องนี้อีกตั้งแสนกับอย่างสุมเมธบัณฑิตเนี่ยท่านคิดว่าเหมือนว่าท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในวัน พรุ่งนี้ท่านคิดว่าไม่ได้ไกลอะไรสี่อสงไขยก็ไม่ได้คิดว่ามันเนิ่นนานอะไรฉันใดก็ดีเราคิดไหมว่ามรรคผลนิพพานอีกไม่นานนักเนี่ยนะเราก็จะจะเกิดขึ้นแน่แต่ว่าเป็นยังไงนะมรรคผลนิพพานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะหน้าตาเป็นยังไงเนาะสีเป็นยังไงมรรคผลนิพพานสีขาวสีเขียวสีเหลืองเรืออะไรไม่มีสีไม่ใช่สีไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสไม่ใช่โพธภาภะอันนี้นะ่ยนึกตามยากเลยนะก็เลยเอ๊มเป็นยังไงเนาะเนี่ยนะ ก็เลยค่อนข้างอะไรนะโมอมัวค่อนข้างอะไรภาพไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะเขาว่าดีอ่ะนะก็รู้แต่ว่าได้แต่เขาว่าดีอ่ะเขาว่าดีก็ได้แต่เปรียบเทียบอย่างนี้แหละก็พระพุทธเจ้าท่านชมว่าดีอ่ะนะเราก็ดีว่าดีกับท่านด้วยแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นดีแบบท่านด้วย